วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาธรรมะ ซึ่งเป็นเหมือนกับพลังของใจให้ใจมีกำลังที่เข้มแข็งที่ห้าวหาญที่ไม่หวาดไหวไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบแก่จิตใจถ้าจิตใจมีธรรมะให้กำลังแก่จิตใจ จิตใจจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าจิตใจขาดธรรมะจิตใจจะเศร้าหมองจิตใจจะอิดโรยพอเหี่ยว ทื่มเศร้าไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรดังนั้นการเติมพลังให้กับจิตใจนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและสิ่งที่จะทำให้จิตใจมีพลังก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองที่พวกเราควรที่จะ คอยเติมกันอยู่เรื่อยๆธรรมะก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติกระทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจให้เกิดความสุขความร่มเย็น แก่จิตใจให้ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำใจให้เย็นให้สงบให้นิ่งให้สุขให้สบายได้มีแต่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะทำให้ใจนั้นล่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความเครียดต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญก็คือการศึกษาการทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับใจของเรามาทำใจให้มีกำลังให้มีพลังให้มีความสุขให้มีความเย็นให้มีความสบายทุกวันนี้ที่พวกเราวุ่นวายกันที่ทุกข์กันที่เดือดร้อนกันที่เครียดกันก็เพราะใจของพวกเราขาดธรรมะกัน แทนที่เราจะหาธรรมะใส่ใจเราไปหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาใส่ใจของเรานั่นเองแทนที่จะไปหาเรื่องที่เป็นสุขเราก็ไปหาเรื่องที่เป็นทุกข์กันเพราะการขาดธรรมะนี่เองทำให้เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เรากลับไปเห็นกับตาละปัดเห็นตรงข้ามข้ามกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขแทนที่จะเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นทุกข์กลับไปเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขเราก็เลยไปไขว่คว้าหาความทุกข์เข้ามาใส่ ใจของพวกเราเองโดยไม่รู้สึกตัวโดยไปคิดว่ามันเป็นความสุขซึ่งมันก็เป็นความสุขที่อําพรางความทุกข์อยู่เหมือนกับ <c oughs> เหยื่อที่เขาใช้ล่อล่อปลานี่เองเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าเป็นปลาที่ไม่ฉลาด ถ้าเห็นเหยื่อก็จะคิดว่าเป็นอาหารอนโอชะก็จะฮุบเหยื่อนั้นทันทีพอฮุบเหยื่อมันก็ไปฮุบกับตะขอเบ็ดที่ติดมากับเหยื่อหเหยื่อด้วยได้ได้ฮุบเหยื่อแล้วก็ได้คุบตะขอเบ็ดไปด้วยพอตะขอเบ็ดติดปากทีนี้ก็กลายเป็นเหยื่อไปกลายเป็นเหยื่อของผู้ที่ ตกปลาไปเขาก็จะดึงปลาขึ้นจากน้ำแล้วก็จับปลานั้นไปฆ่าเพื่อเอาไปทำเป็นอาหารต่อไป <c oughs> นี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่ใจที่ขาดธรรมะ <c oughs> ใจที่มีความหลงถ้าขาดธรรมะก็แสดงว่ามีความหลงคือเห็นผิดเป็นชอบ เห็นคงจากเป็นดอกเบื่อเห็นทุกว่าเป็นสุขนั่นเองจึงทําให้ไปคอยคว้าหาแต่ความทุกข์เข้ามาเพราะความทุกข์ที่หามานั้นมันหุ้มด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้ามันเป็นเบ็ดน่วนๆนี้ปลาก็คงจะไม่กล้าไปฮุบมัน กอจะเห็นว่ามันเป็นเป็นเป็นเบ็ดมันรู้ว่าเบ็ดถ้าเกี่ยวปากมาแล้วมันก็จะต้องเจ็บมันก็จะต้องตายแต่พอเอาเอาเหยื่อไปหุ้มเขี้ยวหุ้มเบ็ดเอาไว้ปล า, ามันก็เลยมองไม่เห็นเบ็ดเห็นแต่เหยื่อก็เลยคิดว่าเป็นอาหารอนอชุชาพอไปหุบเหยื่อนั้นแล้ว ถึงจะไปเจอตะขอเบ็ดอีกทีนึงตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทำให้เกิดความเจ็บปวดรวดแ้วและทำให้เกิดความเสียชีวิตต่อไปได้ <c oughs> นี่คือลักษณะของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าขาดธรรมะแล้วจะไปเห็นกับตาลปัดกันจะไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข จะไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจะไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรา <c oughs> การเห็นกับตาปปรอย่างนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราไม่เคยเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นทุกข์เลย เราเห็นกลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขกันเห็นอะไรที่เราเรียกว่าเป็นสุขก็เห็นโลกกระทนี่เองโลกกระทก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งลาบก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสองยศคือตำแหน่งต่างๆสามสรรเสริญ คือรังวิรังวลต่างๆแล้วก็สี่รูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพฑะที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเราไปมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสุขเพราะเวลาที่เราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเราจะรู้สึกดีใจเช่นราบวันนี้เป็นวันอะไร วันที่สิบหกเป็นวันหวยออกวันนี้คนเข้าใจจดจ่อรอคอยลาบรอคอยรอคอยเยือที่จะมามาล่อใจให้ได้ดี อ, อกดีใจเวลาที่ได้ถูกหวยถู ก, กระตต่จะดีใจจะรู้สึกมีความสุขมากแต่ ไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์ตามมาดังที่เขาพูดว่าทุกขลาภพอได้อะไรได้เงินได้ทองมาแล้วก็ทีนี้ก็จะได้ความทุกข์ตามมาทุกข์เพราะว่าจะต้องจัดการกับเงินทองก้อนนั้นอย่างไรจะดูแลรักษาเงินทองได้อย่างไรเวลาที่จะไปขึ้น เอารางวัล น, นี้จะขึ้นได้อย่างไรที่จะได้ไม่ถูกเขาหลอกถูกเขากงมีปัญหาสารพัดมีความทุกข์ต่างๆตามมานับตั้งแต่ถูกหวยต้องทุกข์กับการที่จะต้องไปขึ้นเงินขึ้นทองแล้วก็ต้องได้เงินทองมาก็ต้องทุกข์กับการเก็บรักษาทุกข์กับการ ลบเกกับคนที่จะมาขอส่วนแบ่งคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันเป็นปีๆถ้าเขาทราบข่าวว่าเราได้ถูกวัตถุรีรางวัลใหญ่นี่เดี๋ยวจะโผล่มาจากทุกสารทิศมาขอส่วนแบ่งขอความช่วยเหลือขอความเมตตาถ้าปฏิเสธไปก็ถูกเขาด่าจนบางที กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทขึ้นมาอันนี้แหละก็คือเรื่องของของความทุกข์ที่ตามมากับลาบเขาเรียกว่าทุกข์คาาบเพราะว่าลาบนี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ถาวรได้มาแล้วก็จะต้องมีการสูญเสีย ด้วยวิธีการต่างๆจากคนใกล้ตัวเราคนรักเราคนอะไรเราพอเขารู้ว่าเรามีเงินเขาก็จะต้องมาขอแล้วถ้าไม่ให้เขาเขาก็จะเสียใจจะโกรธจะเกลียดเราละแทนที่จะรักจะชอบเรากลับมาโกรธมาเกลียดเราแล้วเราก็ต้องคอย หลบคอยหลีอคนอยู่เรื่อยๆบางทีก็ต้องหนีไปอยู่ที่ไม่มีใครรู้จักว่าอยู่ที่ไหนอันนี้มันไม่ได้เป็นความสุขเลยจากการที่ได้ลาบมาแล้วก็พอได้มาบางทีก็ไม่รู้จักใช้ก็ปล่อยให้ใช้ไปตามความอยากต่างๆอยากได้อะไรก็ซื้ออยากจะทำอะไรก็ใช้ไป ถ้าม่ะมันระวังเดี๋ยวไม่นานเงินที่ได้มามันก็หายไปหมดมันก็หมดพอหมดก็ต้องมาทุกข์อีกทุกข์เพราะไม่มีเงินใช้เสแล้วนี่คือเรื่องของลาบเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอนัตตามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไว้ไม่ได้ ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องหมดหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องมีการจากกันถ้าเราฉลาดเราสามารถรักษาเงินต่างๆไว้ได้แต่พอถึงเวลาที่เราตายเงินต่างๆที่เราหามาได้มันก็เราก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเราก็ต้องสูญเสียเงินทองทั้งหลายที่เราได้มาไปหมด เวลาที่เราตายเราจึงทุกข์กันมากเพราะเราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆสูญเสียลาบสูญเสียยศสูญเสียสรรเสริญสูญเสียความสุ ข, ขทางตาหูจมูกิ้นกายไปหมดนี่คือความทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เรากลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขวิธีที่จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์นี่เราต้องเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง มีอะไรบ้างในโลกนี้ที่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เราจะอยู่กับอยู่กับเราไปได้ตลอดแม้แต่หลังจากที่เราตายไปแล้วไม่มีอะไรเลยร่างกายของเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เป็นเพียง <c oughs> อ่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ที่เราใช้พาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองแล้วมันก็ต้องมีการชำรุดทุดส่งเราก็ต้องคอยซ่อมคอยดูแลคอยรักษาแล้วไม่ว่าเราจะดูแลรักษาดีอย่างไรก็ตามในที่สุดมันก็จะต้องสิ้นสุดลงมันก็จะต้องตายไปนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา แต่มันโน้นเป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราท้งนั้นเพราะสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอเวลามันถึงเวลาที่สิ้นสุดลงเวลานั้นมันก็เป็นเวลาที่เราจะเศร้าโศกเสียใจ ทุกใจเพราะเราขาดธรรมะนั่นเองขาดธรรมะที่มาคอยสอนใจว่าอะไรที่เป็นของไม่เที่ยงนี้ต้องถือว่ามันเป็นทุกข์อะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันเป็นนั้นมันไม่ได้เป็นของที่เราจะไปควบคุมบังคับได้มันเป็นของธรรมชาติมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของเราได้ น, นี่คือธรรมะคือความรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรากำลังไปหลงไหลกันไปเพลิดเพลินกันเช่นช่วงเทศกาลสงการนี้ มีการไปเล่นน้ำกันเป็นจำนวนแสนเป็นล้านคนไปเที่ยวกันไปยัดเยียดกันในสถานที่แคบแคบแล้วก็เดินเอาน้ำสะาดกันน้ำความจริงเราก็อาบกันมาทุกวันไม่เห็นมันจะเป็นของน่าตื่นเต้นน่าให้ความสุขเลยเราก็อาบน้ำของเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วทำไมถึงต้องไปเดินกลางถนนให้คนอื่นเขาอาบน้าให้เรา สาดน้ำใส่เราแล้วก็เป็นการสร้างเกิดสร้างความสุขให้กับเรามันเป็นความสุขจอมปลอมเป็นความสุขที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลเกิดจากความหลงไหลในการที่จะได้ไปพบปะกันมากกว่าคนอยากจะไปเจอคนพูดง่ายๆ หนุ่มก็อยากจะไปเจอสาวสาวก็อยากจะไปเจอหนุ่มหญิงก็อยากจะไปเจอชายชายก็อยากจะไปเจอหญิงพอไปเจอแล้วก็เกิดอาการเกิดการการมคุณเกิดความสุขจากการที่ได้เสพกรรมคุณได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภากับกับเพศตรงกันข้ามเห็นแล้วก็เกิดความสุข แต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอแยกกันความสุขเหล่านั้นก็หายไปปล่อยให้เหลือแต่ความแต่ความเหงาความว้าเหวต่อไปอันนี้คือเรื่องของใจที่ขาดธรรมะใจที่ขาดความสุขในตัวเองจึงทำให้ต้องไปคอยวิ่งหาความสุขจากภายนอก ซึ่งความสุขจากภายนอกนี้ล้วนเป็นความสุขแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นคือเป็นความสุขที่คุ้มพอหรืออำมพรความทุกข์อยู่ <Okay. S 1> เนี่ยความสุขที่ได้จากราบได้เงินได้ทองความสุขที่ได้จากยศ เ, เดี๋ยวก็มีการเลือกตั้ง เ, เดี๋ยวผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็ดีออกดีใจได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรี ได้มีอำนาจได้มีผลประโยชน์อะไรต่างๆแต่มันก็เป็นของชั่วคราวมันเป็นของไม่เที่ยงได้ไปไม่กี่ปีมันก็หมดมาวาระก็ต้องหมดตำแหน่งหมดอะไรไปแล้วก็ต้องมาเลือกกันใหม่มาสมัครกันใหม่มาวิ่งเต้นกันใหม่ชีวิตก็จะต้องคอยดิ้นรน คอยหาความสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆเ <c oughs> ติมเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอจนกระทั่งในที่สุดก็จะไม่มีกำลังที่จะไปเติมเพราะร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆกำลังวังชาที่ที่มีในร่างกายมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็หมดกำลังกำลังที่จะไปทำอะไรไปหาอะไร ตอนนั้นแหละก็จะเป็นเวลาที่จะรู้สึกหงอยเหงาซึมเศร้าก็ไม่สามารถไปหาความสุขต่างๆอย่างที่เคยหาได้นี่คือความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปตอนนี้อาจจะมีกำลังวังชาเป็นมีสุขภาพแข็งแรงมี มีร่างกายที่สมบูรณ์มีอวัยวะที่สมมวนสมบูรณ์ไม่พิกลพิการจะทำอะไรก็ทำได้แต่ถึงขนาดนั้นก็ยังต้องเจอความทุกข์อยู่ดีเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ต้องการนั้นบางทีมันก็หาได้บางทีมันก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้มันก็เกิดความเสียใจทุกข์ใจเช่นเดียวกันล้วเวลาหามาได้แล้ว เวลาเกิดการสูญเสียไปมันก็เกิดความทุกข์ใจตามมาอีก mm hmm. ฉะนั้นการที่เราไปหาความสุขจากโลกธรรมโดยใช้ร่างกายเราเป็นเครื่องมือนี้มันไม่ได้เป็นวิธีที่หาความสุขที่แท้จริง mm hmm. มันเป็นการเป็นวิธีที่จะไปหาความทุกข์โดยที่มีความสุขคอยหุ้มหอ่อหรืออำ้พรางความทุกข์อยู่แค่นั้นเอง พอไปพอไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้พอไปแสวงหาเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้นี้ไม่เจอไม่เคยเจอความทุกข์เลยทุกคนที่เกิดมานี้ล้วนจะต้องเจอความทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์กับากลาบยศสารเสริญสุขที่หามาได้หรือที่หาไม่ได้หรือที่หามาได้แล้วสูญเสียมันไปทุกข์กับสภาพของร่างกายที่ไม่แน่นอนบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็พิกลพิการบางทีก็ตายไปอันนี้แหละคือเรื่องของความทุกข์ของมนุษย์เราเพราะการแสวงหาความสุขของเรานี้ มันเป็นการแสวงหาความทุกข์โดยที่ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังหาความทุกข์กันเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นความทุกข์นั้นมันมีความสุขอําพรางอยู่มันหุ้มห่อไว้มีความสุขอําพรางความทุกข์ไว้ทำให้มองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆแต่ถ้ามีธรรมะนี่ธรรมะจะสอนให้เราพิจารณาให้เราคิด ให้รอบครอบให้มองให้รอบด้านของทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ใช่มีด้านเดียวมันมีสองด้านมีด้านดีแล้วก็มีด้านเสียมีด้านเจริญก็ต้องมีด้านเสื่อมมีด้านเกิดก็ต้องมีด้านตายเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวร ถ้าเราไปหวังเพึ่งสิ่งที่ไม่ถาวรมาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ได้ความสุขที่ถาวรเราก็จะได้แต่ความสุขแบบชั่วคราวเวลามันหมดไปมันก็ปล่อยให้เราเศร้าโศกเสียใจทำให้เราซึมเศร้าทำให้เราเหงาทำให้เราว้าเวททำให้เราต้องคอยดิ้นรนต่อไปดิ้นรนเท่าไหร่ถ้าไปหาอย่างเดิมก็เจอปัญหาเดิม ถ้ายังไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตาไปแล้วใจที่ยังหลงอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือต่อไปที่เรียกว่าไปเกิดใหม่นเนี่ยเหตุที่พาให้ไปเกิดใหม่ก็พอ ความหลงในราบยศเสรเสรสุขนั่นเองยังหลงคิดว่าราบยศเสรเสริญสุขนี้เป็นความสุขที่จะต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆมันจึงพาให้ใจนี้ต้องไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆร่างกายไม่ว่าจะเป็นกี่ร่างกายมันก็เหมือนกันหมดทุกร่างกายที่เราได้มามันก็ มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกร่างกายนี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคชนอย่างนับจํานวนของภพชาติไม่ได้ว่าเราเปลี่ยนร่างกายมากี่ล้านร่างแล้วแล้วเราก็จะเปลี่ยนร่างกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่ได้มาเจอธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้วิธีเราจะไม่รู้ปัญหาของเราเสียได้้ําบไปว่าทาไมเราเกิดมาแล้วเราถึงต้องมาทุกข์กันทาไมเราไม่มีความสุขกันเพียงอย่างเดียวทาไมจะต้องเจอกับความทุกข์กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะว่าโลกที่เรามาเกิดนี้มันเป็นโลกของความทุกข์เหมือนกับการไปนั่งอยู่ในกองไฟ แล้วก็เจอแต่ไฟเจอแต่ความร้อนเผาเราอยู่เรื่อยๆเราก็คงไม่ถามว่าทำไมเราถึงถูกไฟเผาทำไมถึงต้องถูกไฟเผาด้วยก็เพราะว่าเราไปอยู่ในกองไฟถ้าเราไม่ไปอยู่ในกองไฟมันก็จะไม่มีไฟเผาเราถ้าเราไม่มาเกิดในโลกนี้ไม่มาหาโลกกระทเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา เราก็จะไม่มีความทุกข์กันแต่ถ้าเรามาเกิดแล้วเรามาหาโลกธรรมมาหาลาภยาศสรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทชนิดต่างๆนี้เราก็จะเจอลำความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็หยุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดพอลราเสพแล้วมันติดมันจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะ หรือว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องทำให้ทุกข์แต่ก็อดไม่ได้เพราะเวลาอดมันทรมานยิ่งกว่าตอนที่ตอนที่ทุกข์กับการสูญเสีย<ม>ก็เลยต้องไปหามาอยู่เรื่อย เ, เวลาไม่มีแล้วมันทรมานมากก็ไปหามาสิเวลาได้มาก็ความทุกข์ทรมานก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอสิ่งที่ได้มามันหมดไป มันก็สร้างความทุกข์ทรมานขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปแก้โดย ว, วิธีเดิมก็ไปหาของใหม่มามาให้ความสุขใหม่จนกว่าจะไม่สามารถหาได้เช่นร่างกายไม่สามารถหาได้บางทีก็ต้องฆ่าร่างกายไปเพราะทนกับความทุกข์ทรมานไม่ได้แต่การฆ่าร่างกายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา เพราะปัญหาที่ทำให้ทุกข์ทรมานใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่ไม่สามารถตอบสนองความอยากได้สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานใจก็คือความอยากของใจนั่นเองวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ต้องมาแก้ปัญหาด้วยการหยุดความอยากของใจเท่านั้นแลาจะไม่มีใครรู้ว่านี่คือปัญหาและวิธีแก้ปัญหาไม่รู้ว่าความอยากของใจเนี่ยความอยากที่จะหา ความสุขจากราบยศ ส, สรรเสิญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพานี้เป็นตัวปัญหาเป็นตัวที่พาให้ใจจะต้องมาคอยเจอกับความทุกข์จากราบยศสารเสริญสุขกันอยู่เรื่อยถ้าไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรุนี้จะไม่มีใครรู้เลยทุกคนก็จะมาหาความสุขจากโลกธรรมไปเรื่อยตายแล้วก็กลับมาเกิด เกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บ ม, มาตายทำอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันพ้นทุกข์ได้จะต้องเจอทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาพบความจริงพบปัญหาว่าปัญหานั้นความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจความอยากของใจที่จะไปหาความสุขอยาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากไปหาความสุขจากราบยศสนเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสพดสภาชนิดต่างๆถ้าอยากจะพ้นจากความทุกข์อยากจะให้ไม่มีความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากในการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องมีร่างกาย เ ม, ม Hence, mm. ื่อไม่ม oh right ีร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาราบยศสรเสริญสุขตามมาเพราะเมื네่อใจไม่มีความอยากใจก็จะไม่ไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลสใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายร่างกายนี้ตายไปใจก็จะได้ หยุดไปหาร่างกายอันใหม่ทันทีเพราะใจสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ไม่มีความอยากได้อะไรแล้วแต่การที่จะหยุดความอยากได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือมีเครื่องมือที่จะมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ให้กับใจคือต้องใจต้องมีความสุขในตัวเองให้ได้ ถ้าใจมีความสุขในตัวเองใจก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาความสุขภายนอกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบส่งค้นพบปัญหาของใจคือความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจอยากจะหาความสุขจากจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จึงทำให้ใจต้องมามีร่างกายมาเกิด เราะจะจำเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารากยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์จากการที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่หามาได้ไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าทุกสิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสือ่อมเป็นธรรมดามีเกิดแล้วมันก็จะต้องมีดับไปเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าจึงส่งคนพบว่าวิธีที่จะหยุดความอย่างวิธีที่จะไม่ต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายก็คือต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้แล้วก็ส่งคนพบวิธีว่าวิธีที่จะจำทำให้ใจนี้เกิดความสุขขึ้นมาได้นั้นก็คือต้องทำใจให้สงบให้ได้ถ้าทำใจให้สงบได้ ใจก็จะได้มีความสุขในตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองใจก็ไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจอีกต่อไปนี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าตัดสู้วิธีแก้ปัญหารู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากและวิธีที่จะทำให้ความอยากนั้นหมดไปก็คือต้องสร้างความสุข ขึ้นมาในใจให้ได้เพราะเมื่อใจมีความสุขแล้วใจก็จะหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกได้เพราะความสุขภายในใจนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากภายนอกใจเพราะมันเป็นความสุขที่อยู่กับใจไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่อยู่ภายนอกใจเป็นความสุขชั่วคราวดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทํากัน ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาที่เรามีกันอยู่ในทุกวันนี้ปัญหาจากความทุกข์ปัญหาความทุกข์ใจความกังวลใจความวิตกความกังวลความเดือดร้อนความห่วงใยความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความว้าเหว ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ได้ทำให้มันหมดไปได้หากเราสามารถทำใจเราให้มีความสุขได้ทำใจของเราให้มีความสุขด้วยการทำใจของเราให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้หยุดความอยากให้ได้เท่านั้นเองเพอหยุดความอยากได้แล้วความรู้สึก ที่รู้สึกว่าขาดนู่นขาดนี่มันก็จะหายไปความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอมันก็จะปรากฏขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องทำกันและต้องอาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่พอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วเราเชื่อว่าคำสอนของพระเจ้านี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของพวกเราคือทางออกวิธีที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องทุกข์อย่างที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สิ่งผู้เจ้าถ้าเราเริ่มมีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าเราก็จะได้ทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเรา เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเราเชื่อหมอเวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอให้หมอช่วยวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วเราจะรักษาโรคนี้ให้มันหายได้อย่างไรพอหมอเ็าได้วินิจฉัยว่าโรคของเรานี้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เอายาชนิดนั้นชนิดนี้ไปรับประทานพอเรารับประทานยาแล้ว โรคภัยที่มันเป็นอยู่มันก็หายได้เราก็ต้องเชื่อหมอเพราะถ้าเราไม่เชื่อหมอเราคงไม่ไปหาหมอกันที่เราไปหาหมอเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อว่าหมอนี้จะช่วยรักษาโรคของร่างกายของเราให้หายได้พอเราไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกให้เราทำอะไรเราก็ต้องทาตามถ้าหมอเขาบอกว่าให้ลดอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เราก็ต้องทาตาม เช่นถ้าเราเป็นไขมันในเลือดสูงหมอก็บอกให้ลดกินของมันมันลงถ้าเรามีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานหมอก็แนะนาให้เราลดการรับประทานของหวานลงถ้าเรามีโรคความดันหมอก็แนะนาให้ลดกินของเค็มลงอย่าไปกินของเค็มแล้วอาจจะต้องช่วยกินยาช่วยลดลดความดันลดเบาหวาน ลดน้ำตาลนี่เป็นสิ่งที่หมอจะจะบอกเราให้เราทําแล้วถ้าเราทําตามที่หมอบอกถ้าเราเชื่อเราก็ต้องทําตามหมอให้ยามลดความดันมาเราก็เร า, าก็กินลดเบาหวานเราก็กิน่ลดไขมันเราก็กินหมอบอกให้เราลดการกินของเค็มแล้วก็ลดลดกินของหวานเราก็ต้องลดลดกินของของมันๆเราก็ต้องลด พอเราทำตามที่หมอสอนหมอแนะนำได้กินยาที่หมอมอบให้เรากินได้โรคที่เราเป็นอยู่มันก็หายได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอรักษาโรคใจของพวกเราพวกเราใจของเรามีความทุกข์ความหวาดกลัวมีความเศร้ามีความวิตกมีความกงังวลมีความเดือด ร, อร้อนใจ กับเรื่องราวต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเราทาใจของเรามันไม่มีความสงบใจเรามันมีแต่ความอยากอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้อยากเลื่อให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้ได้สิ่งนั้นมาอยากให้ได้สิ่งนี้มาอยากไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราอยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นกับเราความอยากเหล่านี้แหละมันที่มันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเรา เราต้องมาทำใจของเราให้สงบให้ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะระงับความทุกข์ต่างๆเราต้องมาสร้างความสงบให้กับใจและสิ่งที่จะทำให้ใจของเราสงบได้ก็คือสติสมาธิและปัญญาสามสิ่งนี้ที่เราจำเป็นจะต้องเอาเข้ามาใน ใ, นใจของเราให้ได้ พระพุทธเจ้าก็มอบยาให้เรายายาสามชนิดด้วยกันที่จะมากําจัดความทุกข์ความเครียดต่างๆที่มีในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้เพราะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะทําให้ใจเรานิ่งเราใจเราสงบได้เวลาใจเรานิ่งใจเราสงบความอยากต่างๆมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ความยากต่างๆไม่ปรากฏขึ้นมาความเครียดความทุกข์ต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานี่ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นยาที่พระเจ้าจะให้เราเอามาใช้ในการกาจัดความทุกข์กำจัดความเครียดต่างๆนี่เองและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องขยัน ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำาัรงสอนให้เราเจริญสติให้เราเจริญสติตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจปัสแจกสติควบคุมอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยอย่าปล่อยให้ใจกังวลวิตกอย่าปล่อยให้ใจอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องพยายามควบคุมมันในเบื้องต้นด้วยการใช้สติท ถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดความคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เวลาที่เราไม่มีสติความคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาเมื่อความคิดโผล่ขึ้นมาความอยากมันก็จะตามมาต่อไปงั้นเราต้องมีความเพียรยาที่พระเจ้าส่งมอบให้กับเราเบื้องต้นต้องมีศรัทธามีความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นยาดับความทุกข์ใจได้ เป็นธรรมโอสถยาของพระทเจ้านี้เราเรียกว่าธรรมโอสถยาเป็นโอสถเป็นยาที่จะมาดับความทุกข์ดับความเครียดของใจของพวกเราให้หายไปหมดได้เหมือนกับยาของหมอที่จะมารักษาโรคเบาหวานให้หายไปโรคความดันให้หายไปโรคผิวโรคไขมันไขมันอุดตันนี้ให้หายไปได้ ถ้าเราเชื่อหมอแล้วทำตามที่หมอสั่งเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรามีวิริยะมีความเพียรพยายามความขยันที่จะปฏิบัติสร้างธรรมสามข้อนี้สร้างยาสามชนิดขึ้นมาในใจยาชนิดแรกก็คือต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะถ้ายังไม่มีสตินี้เราไม่สามารถทำใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิได้ ถ้าเมื่อเรายังไม่มีสมาธิใจที่นิ่งเราจะไม่สามารถใช้ปัญญามาหยุดความอยากได้อย่างถาวร mm hmm. เราต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนเ mm hmm. บื้องต้นก็ให้เราเชื่อ mm hmm. เชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้เราหยุดหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ mm hmm. อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสผลพระต่างๆ อย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะมันเป็นความสุขกลอมเป็นความสุขที่อำพรางความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องทุกข์ถ้าเรายังไปหาความสุขจากลาบยศชนะเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอนี่คือศรัทธาความเชื่อพระเจ้าสอนให้เราเลิกหากา ม, มาสุขกันให้เรามาหาสันติสุขกันเราต้องเชื่อพระเจ้าเราต้องพยายามเลิก วิธีที่จะเลิกหาราบยศสรรเสริญสุขก็คือเราต้องถือศีลถือศีลแปดขึ้นไปถือศีลของนักบวชอย่าไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเราหรือไม่ก็ตามเราไม่ต้องการหาความสุขแบบนั้นเพราะมันเป็นการมาสุขไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารเพื่อยังชีพได้อยู่เพื่อเลี้ยงร่างกายได้อยู่แต่อย่ารับประทานอาหารเพื่อความสุขอย่างที่เขาจัดงานปาร์ตี้กันเนี้ยกินกันกินหมูก ร, ก, กระทะกระทะกินอะไรกันอันนี้เรียกว่ากินเพื่ออยู่อันนี้เรียกว่าอยู่เพื่อกินกันแล้วเรากินเพื่ออยู่กินเพื่อเลี้ยงชีพกินเพื่อไม่ให้ร่างกายมันตายไม่ให้มันขาดสารอาหาร ก็ไม่ต้องกินตลอดทั้งวันทั้งคืนกินชั่วเพียงเช้าถึงกลางวันก็พอถึงเที่ยงวันก็พอก็จะได้อาหารพอเพียงต่อการยังชีพอย่าหาความสุขจากการกินการดื่มแล้วก็อย่าหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกินรดในรูปแบบของมหัรสพบันเทิงต่างๆหรือการเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป ให้พักผ่อนหลับนอนเพื่อให้ร่างกายได้ได้มีเลี้ยวมีแรงได้พักผ่อนเพื่อมีเลี้ยวมีแรงร่างกายต้องต้องพักเพราะว่าเมื่อทํางานทําอะไรมามันก็จะเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ต้องนอนพักเป็นธรรมดาแต่อย่าให้มันนอนมากเกินกว่าที่มันต้องการการที่จะทําให้เราไม่นอนมากกว่าที่เราต้องการก็คือเราอย่าไปนอนบนเตียงที่มันสบาย เตียงที่มันเขาเรียกเตียงสำรานเพราะมันจะทำให้เรานอ น, อนมากกว่าที่ร่างกายต้องการธรรมดาเวลาเรานอนนี้ร่างกายถ้ามันเนหน็ดเหนื่อยจริงๆมันก็จะหลับไม่ว่าจะนอนในที่ไหนที่นอนที่ไม่สบายมันก็หลับได้แต่พอมันนอนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราไปนอนบนเตียงที่สที่สำลานที่สบายนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงมันจะตื่นขึ้นมา แต่ใจของเราความอยากของเราที่มันอยากจะหาความสุขจากการหลับนอนบนเตียงที่แสนสบายนี้มันก็จะข อ, อนอนต่ออันนี้แหละเป็นการนอนเพื่อเสพกามอย่าไปนอนแบบนั้นวิธีแก้ก็คืออย่าไปนอนกับบนเตียงที่มันนุ่มมันสบายให้นอนบนเตียงที่มันไม่สบายเช่นนอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นเลยก็ได้ ปูด้วยผ้าด้วยเสือก็พออ น, นี้คือการออกจากการออกจากการแสวงหาความสุขทางการรมถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ก่อนเราต้องยุติการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกินรสเท่าที่เราจะทำได้ซึ่งการถือศีลนี่มันไม่ได้เป็นการที่จะทำให้เราสามารถหยุดได้อย่างถาวรเราอาจจะมีกําลังหยุดได้เป็นพั ก, พก บางช่วงเราก็ทนไม่ไหวเราก็อาจจะขาดศีลไปบ้างถือศีลแปดไปสักเจ็ดวันแล้วบางทีก็ต้องขอพักกลับมาถือศีลห้าก่อนเพราะว่าใจมันยังสู้ไม่ไหวก็ต้องกลับไปกลับมาอย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นแต่อย่างน้อยก็เป็นขั้นต้นของการที่เราจะยับยั้งการที่เราจะไปหาความทุกจากการเสกกรรมนั่นเอง น, นี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือพยายามงดการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่สองเราต้องทำก็คือพยายามสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นให้ได้ที่เรียกว่าสันติสุขการที่จะสร้างความสุขทางใจให้เกิดความสุขขึ้นมานี้ต้องอาศัยการเจริญสติเป็นขั้นที่หนึ่ง เพราะสตินี้จะคอยหยุดความคิดคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดถ้าเราสามารถควบคุมความคิดให้ไม่คิดได้ต่อเนื่องสักระยะหนึ่งใจมันก็จะหยุดคิดไปมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วมันก็จะสบายมันก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมามาทดแทนความสุขที่เรา ที่เราเลิกหาคือความสุขทางกามกามมาสุขถ้าเรายังไม่สามารถที่จะสร้างความสุขทางใจได้การที่เราไปยับยั้งห้ามการหาความสุขด้วยศีลแปดนี้เราก็อาจจะทำไปไม่ได้ตลอดทำไปได้สักระยะหนึ่งมันบางทีมันก็ทนไม่ไหวความอยากที่จะหาความสุขเพราะเมื่อมันยังไม่มีความสุขในใจ มันก็ยังต้องออกไปหาความสุขภายนอกใจอยู่นั่นเองดังนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนะคือต้องหยุดการหาความสุขทางการมาสุขแล้วต้องมาพยายามสร้างความสุขทางใจคือสันติสุขให้เกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าเรายังไม่มีสันติสุขนี่เราก็อาจจะต้องกลับไปหากามาสุขอยู่ ดันั้นเราต้องมีความเพียรพยายามมากนี่คือสิ่งที่เราต้องทําข้อที่สองพุทธเจ้าบอกเบื้องต้นให้มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สองให้มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งที่พระุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติก็คือเพียรเจริญสติให้มากๆให้เราเพียรเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยให้เราพยายามหยุดคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิด ถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดก็คิดได้แต่เมื่อคิดเสร็จแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็อย่าปล่อยให้ใจคิดต่อไปต้องพยายามใช้สติคอยคอยหยุดความคิดวิธีที่จะทำให้มีสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายๆก็คือวิธีบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนี่เราเตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มบริกรรมพุโทโธไปเลยถ้าเราบริกรรมพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้ในขณะที่เราไปทําภารกิจส่วนตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็ใช้พุโทโธกํากับไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยยกเว้นว่าเราจะต้องคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรเราต้องทําอะไรบ้างเราก็คิดได้พอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วก็ไปทําหน้าที่ต่อไปในช่วงที่เราไปดําเนินการไปทําหน้าที่ ในช่วงที่เรายังไม่ต้องทำงานไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดพยายามหยุดคิดให้ได้แล้วทางที่ดีที่สุดถ้าเราสามารถทำได้ก็คือถ้าเราหยุดทำงานได้ก็ยิ่งดีใหญ่อย่าให้มีงานมาให้เราต้องทำเพราะถ้าเราต้องทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดกับการทำงานเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้ นการที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องหยุดความคิดได้อย่างต่อเนื่องนี้เราจําเป็นจะต้องอยู่ในช่วงที่ไม่มีงานทําเช่นช่วงวันหยุดการทํางานของเราเป็นช่วงที่เราจะฝึกสติได้ดีที่สุดสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆผู้ที่ยังต้องมีภาระต่อการทำมาหากินทํางานทําการอยู่ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยเวลาที่เป็นวันหยุดทํางาน แล้ววันหยุดทำงานนี้มาสร้างสตินันเพราะวันหยุดทำงานเราก็จะได้ไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องไปพบปะกับคนนั้นคนนี้เราก็อาจจะอยู่คนเดียวได้ถ้าเราอยู่คนเดียวได้เราก็ไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องคิดอะไรกับใครเราก็คิดแต่เรื่องจำเป็นก็คือเรื่องการดูแลเลี้ยงดูร่างกายในวันนั้นท่านเองว่าจะต้องกินเวลาไหน กินเสร็จแล้วจะต้องทําอะไรต้องทําความสะอาดหรือทําอะไรแล้วก็ทําของเราไปแต่ในช่วงที่เราทําภารกิจเหล่านี้เราไม่จำาไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรก็ได้เราก็ใช้พุโทโธพุโทโธคอยหยุดมันถ้าเราไม่ถ้าเราทําใช้พุโทโธไปจนสักระยะหนึ่งมันพอมันไม่คิดอะไรเราก็หยุดพุดโทโธได้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องพุโทโธไปตลอดเราใช้พุโทโธเพื่อหยุดความคิด พอมันไม่คิดเราก็หยุดพุโทโธได้พอมันคิดใหม่เราก็ใช้พุโทโธใหม่อย่าให้มันคิดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าเราจะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแล้วใจเราอยู่กับพุโทโธไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจเราก็รวมเข้าสู่สมาธิได้อันนี้แหละเป็นตัวสาคัญการเจริญสตินี้เป็นเบื้องต้น เป็นการนำเราสู่การไปเข้าสมาธิเพราะว่าถ้าเราไม่เจริญสติเวลาเรามานั่งสมาธินี้ใจมันจะคิดื่อยเปื่อยมันจะคิดฟุง้งซ่านนั่งพุโทโธก็สู้มันไม่ได้นั่งได้เดียวเดียวเดี๋ยวมันก็เจ็บมันก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้<ม>เราจึงต้องพยายามควบคุมควา ม, ค, วามคิดไว้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิอย่ามาทำตอนที่เราเริ่มตอนที่เราเริ่มนั่งสมาธิเพราะว่ามันจะไม่มี กำลังพอที่จะไปหยุดความคิดต่างๆได้เราต้องพยายามหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันพยายามพุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุทโธพอมันคิดเราก็พุทโธหมแล้วพอเรามานั่งสมาธิเราก็มาท่องพุทโธต่อหรือเราจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเราไม่อยากจะพุทโธเราพุทโธมานานแล้วอยากจะหยุดพุทโธ เราก็ลองดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกดูดูที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้ารู้ว่าลมกำลังออกเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรถ้าดูลมมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เร า, า จ, จะต้องกลับมาใช้พุทโธแทนก็ได้ต้องทำให้อย่างนี้ให้ไม่ให้มันคิดให้ได้ถ้ามันไม่คิดอย่าง ต่อเ น, นื่องได้สักห้านาทีใจมันก็เข้าสู่สมาธิได้เวลาเข้าสู่สมาธิแล้วใจมันก็หยุดคิดตอนนั้นเราก็ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจเพราะมันนิ่งมันเฉยมันสงบมันสบายมันมีความสุขอันนี้แหละคือจุดหมายที่เราต้องการพาใจเราไปเรามีความสุขที่วิเศษอยู่ในตัวเราแต่เราเข้าไม่ถึงมันเพราะไม่มีใครไม่มีใครสอนเราก็ไม่รู้ ว่าเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราความหลงของเรามันหลอกให้เราไปคิดว่าของวิเศษอยู่ภายนอกตัวเราอยู่ที่ราบยสศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของวิเศษเลยมันเป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราต้องมาติดกับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นพอเราได้มาพบกับของวิเศษที่มีอยู่ในตัวเราเท่านั้นนะ่ะเราก็จะถึงบางอ้อ หูตาสว่างขึ้นทันทีความหลงที่เคยมีในใจกับกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็จะบรรเทาลงไปแต่มันยังไม่ตายมันยังไม่หมดเวลาที่ใจสงบตอนนั้นมันก็มีความสุขมากแต่กำลังของสติที่ทำให้ใจสงบมันก็มีจำนวนจำกัดมันสงบได้สักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวมันก็ถอนออกมาพอถอนออกมามันก็เริ่มคิด ถ้าเราไม่ควบคุมมันต่อมันก็จะเริ่มคิดมันก็จะคิดไปหาราบยศเธลเสริญหาความสุขต่อไปอีกมันก็ทำให้เรามันลืมไปว่าเมื่อกี้ได้เจอความสุขควนวิเศษแต่มันเป็นความสุขที่เราไม่สามารถอยู่กับมันได้อย่างต่อเนื่องอย่างยาวยาวนานสิ่งที่เราต้องทำต่อไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติต่อเพราะสติเรายังมีกาลังไม่มากพอ เราต้องการให้มีสติเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องคอยควบคุมความคิดต่อไปอย่างที่เราเคยทำอยู่แล้วพอเราสามารถกลับมานั่งสมาธิใหม่เราก็กลับมานั่งสมาธิใหม่อพยายามเข้าไปในสมาธิให้บ่อยให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใจเราก็จะมีความสงบมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆทยําจนกระทั่งมันเป็นมันเป็นเป็นแหล่งของแหล่งหาความสุขของเราคือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการไปหาราบยศสารเสริญสุขให้เรามาหาสันติสุขให้เรามาหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนี้ต่อไปเวลาเราเข้าสมาธิเราจะเข้าได้ง่ายได้ได้เร็วได้อยู่ได้นานแล้วพอเราออกมาเราก็พยายามเำริสติต่อไปจนกวเราจะมีความมั่นคงว่าสติของเรานี้ไม่พังเผยเลย มีสติตลอดเวลาสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการหลังจากนั้นอ่ะเราถึงจะค่อยมามาเจริญทางปัญญาอีกขั้นหนึ่งเพราะสตินี้มันทําให้ใจสงบได้ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกมาปั๊บนี่ถ้าถ้าสติเผลอเมื่มอไหรน่นี้ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาความอยากในราบยศสารเสริญสุขมันก็จะโผล่ขึ้นมาตอนนั้นถ้าเรา อยากจะใช้ปัญญาเราก็ใ hmm. ช้ปัญญาสอนใจได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ลาบยศสารสนสุขนี่มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทากว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้พอเราเห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็จะหยุดความอยากได้ต่อไปเราก็จะไม่อยากเพราะเห็นด้วยปัญญาพะเห็นว่าการไปหาลาบยศสารสนสุขนี้เป็นการไปหาความทุกข์ เราก็จะหยุดความอยากนี้ได้พอเราหยุดความอยากนี้ได้ใจของเราก็จะสงบเหมือนตอนที่เราเข้าสมาธิเพะฉนั้นเมื่อใจเราสงบเหมือนตอนที่เราเข้าสมาธิได้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าสมาธิต่อไปเราก็อยากไปติดสมาธิเพราะสมาธิมันก็เป็นของชัว่วคราวเราั้นเราเราให้เราติดปัญญาดีกว่าให้ใช้ปัญญาดับความอยากดีกว่าถ้ายังมีความอยากอันใดหลงเหลืออยู่ ยังอยากเข้าสมาธิก็ต well ้องหยุดหยุดความอยากนั้นด้วยไม่ต้องใช้สมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาเราสามารถหยุดความอยากได้เราก็สามารถทำใจให้สงบได้ให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเราก็จะใช้ปัญญานี้คอยระงับความอยากต่างๆถ้าถ้ายังมีหลงเหลืออยู่ในใจถ้าใช้ปัญญาให้ให้เห็นว่าทุกอย่างที่อยากเป็นตายรักมันก็จะหยุดได้หยุดความอยากเหล่านั้นได้ ต่อไปความอยากที่เคยมีอยู่ในใจมันก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดใจก็จะสงบไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจก็จะมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องควบคุมด้วยสติไม่ต้องควบคุมไม่ต้องดึงใจให้เข้าสมาธิเพราะว่าใจได้กาจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความไม่สงบให้กับใจก็คือความอยากต่างๆนี้นั่นเองอันนี้แหละคือขั้นสุดท้ายคือขั้นปัญญา กำจัดปัญญาได้ด้วยอย่าง HHH ถาวรด้วยด้วยด้วยปัญญากำจัดความอยากอย่างถาวรได้ด้วยปัญญากำจัดความอยากด้วยสติได yes, ้ชั่วคราวหยุดความอยากได้ชั่วคราวแต่ถ้าจะหยุดความอยากอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาแต่จะใช้ปัญญาหยุดได้นี้ต้องมีสติต้องมีสมาธิที่มีมีกำลังที่จะที่จะเฉยกับความอยากได้ เมื่อปัญญาบอกให้เฉยต้องเฉยได้ถ้าปัญญาบอกให้เฉยยังเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังกำลังไม่พอก็ต้องกลับไปฝึกสมาธิต่อนี่คือวิธีการที่เราจะมาแก้ปัญหาของความทุกข์ใจของความเครียดต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขเปลี่ยนจากการไปหาโลกรธรรมคือราภยศสรเสริญสุขให้มาหาสัมิสุขกันด้วยการปฏิบัติ ด้วยด้วยการปฏิบัติธรรมห้าข้อนี้ก็คือให้เรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้เรามีความเพียรพยายามที่จะสร้างธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาสร้างกันก็คือเพียรสร้างสติเพียรสร้างสมาธิและเพียรสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นตามลำดับถ้าเราสามารถทำตามได้เราก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ สร้างความสุขที่ถาวรให้อยู่กับใจของเราไปตลอดนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวะเรวะหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกะปิ อิชิตังปัติตังตุมหังคิดเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยทามณิโชติอาราโสยทาสพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิตสะนิจจังวุธาปจายโน จตารธรมวทันติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามด้วยตนเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ร่ะเอบยุณพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีทู่รับฟังธรรมาหน้ากุดจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ511ท่าน YouTube พระสุชาติ l i ฟ e 253 YouTube ดร V 99วิทยุออนไลน์8ครับเ o า s e 13หน้ากุด136รวมทั้งหมด 1,020 ท่นานค่ะคำถามจากหน้ากุดค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ หากชาตินี้เราเกิดเป็นหญิงชาติหน้าเรามีโอกาสเกิดเป็นชายได้ไหมเจ้าคะชาตินี้เป็นหญิงชาติหน้าเป็นชายเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าจะได้ดังใจหรือไม่ว่ามันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยคือที่ใจถ้าใจเป็นชายมันก็มันก็เป็นชายถ้าใจเป็นหญิงมันก็เป็นหญิงมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย บางทีได้ร่างกายของผู้หญิงแต่ใจเป็นชายมันก็ยังเป็นชายอยู่นะแต่บางทีเป็นใจเป็นหญิงแต่ไปได้ร่างกายของผู้ชายมันก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่นั่นแหละเราถึงมีการแปลงเพศกันไงนะคนบางคนเป็นผู้ชายแต่ได้ร่างกายเป็นผู้หญิงก็เลยไปแปลงเพศให้เป็นผู้ชายคนที่เป็นผู้หญิงไปได้ร่างกายของผู้ชายก็ไปแปลงเพศให้เป็นผู้หญิงดฉะนั้นมันอยู่ที่อยู่ที่ใจเป็นหลัก ว่าใจเป็นหญิงหรือใจเป็นชายนะใจเป็นหญิงก็ชอบของที่ผู้หญิงชอบใช่ใจเป็นผู้ชายก็ชอบของผู้ชายชอบนะเอาตรงนั้นดีกล่าดูที่ใจเป็นหลักจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายนี่มันอาจจะ ก, การผลิตมันอาจจะมีการาบกพร่องคธรรมดาเขาจะผลิตให้ใจกับใจกับกล้างกายเป็นคู่กันใจกับ ถ้าใจเป็นชายร่างกายก็เป็นชายถ้าใจเป็นหญิงร่างกายก็เป็นหญิงแต่บางทีขั้นตอนของการผลิตมันอาจจะเสียบางครั้งบางตอนมันไปสลับกันเข้า <laughs> ใจเป็นหญิงแต่ได้ร่างกายเป็นชายก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะพูดตามความจริงก็ก็ใจมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเนมันเมื่อมันไม่ได้ร่างกายของที่มันต้องการมันก็ไม่ต้องการใช่ไหม งั้นอย่าไปอย่าไปรังเกยียจคนที่เขามีมีใจกับร่างกายไม่ตรงกันถือว่ามันเป็นเรื่องของโชคไม่ดีของเขาก็แล้วกันนี่ไปได้ร่างกายที่ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นนะค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะถ้าเราฝึกสติในระหว่างวันได้ไม่ดีว่าราที่จะภาวนาก็จะไม่มีกําลังภาวนาใช่ไหมคะถ้าสติไม่ดีมันก็ไม่มีกําลัง เพราะใจมันจะดึงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เลยนั่งแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะมันจะมีการต่อสู้กันดึงกันไปดึงกันมามันชักกระเยอะกันคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะลูกนั่งกรรมาฐานจนปวดขาลองทนนั่งดูความปวดหนักขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าเป็นก้อนคล้ายก้อนดินหนักๆอยู่แต่อีกใจก็บอกว่าบอกแหละ แต่อีกใจก็บอกแล้วจิตหนักไหมปวดไหมคำตอบคือไม่ได้ปวดแต่เห็นว่าขานั้นปวดจนครบเวลาสามสิบนาทีไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะลูกมาถูกทางหรือไม่เจ้าคะถ้านั่งได้โดยที่ไม่ทุกข์กับความเจ็บก็ถูกทางถ้ายังทุกข์กับความเจ็บอยู่ก็ยังไม่ถูกทางวิธีที่จะทำให้มันถูกทางที่ง่ายๆก็คืออย่าไปสนใจกับความเจ็บในเบื้องต้น ให้เราอยู่กับพุโทโธอยู่กับคมบริกรรมไปเวลามันเจ็บก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจเราก็จะเย็นจะนิ่งจะอยู่กับความเจ็บได้แต่ขั้นต่อไปถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาแยกแยะว่าความเจ็บก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปถ้าเรามีสติที่มีกาลังพอที่มีอุเบกขาพอเราก็สอนใจให้หัดอยู่กับมันไป อย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากให้มันหายเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจไม่ใช่ความเจ็บถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายแล้วความทุกข์ทรมานใจมันจะไม่มีเราก็จะอยู่กับมันไดค้คำถามจาก Youtube พระสุชาติค่ะการฆ่ากิเลสต้องทำอย่างไรคะก็ะอย่าไปทำตามมันเลยแต่มันชวนเราไปเที่ยวคืนนี้ก็อย่าไปไปนั่งสมาธิแทน ชวนเราไปไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่เราก็ไปวัดดีกว่าไปอยู่วัดดีกว่า น, นี่คือการฆ่ากิเลสคำถามจาก YouTube พระสุชาติค่ะการมีความสุขกับภรรยาและลูกๆและทรัพย์สินเงินทองถือว่าเป็นการเสพรูปรสผิ่นเสียงใช่ไหมครับใช่มันเป็นการมการมสุขซึ่งเป็นของไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลง พอมันจบนะวันนั้นก็จะเป็นวันเศร้าวันเศร้าโศกเสียใจคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ผมภาวานาพุโทโธตลอดเวลาพอนั่งสมาธิก็ภาวานาต่อสักครู่จิตรวมลงเป็นสมาธิสักพังเหตุร่างกายหายใจอยู่สติเลยเดินปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วจึงผ่าร่างกายออกเห็นอวัยวะภ า, ายในจากนั้นเห็นกระดูกแล้วก็สลายไปครับจากนั้นรู้สึกว่าร่างกายกับใจไม่เกี่ยวข้องกันครับถูกต้องไหมครับก็ดีถ้าแยกใจกับร่างกายได้ด้วปัญญาได้ก็ดี ยังไม่มีคำถามค่ะยังไม่มีคำถามนะเวลาที่เราฝึกสมาธิในเบื้องต้นถ้าสมาธิเรายังไม่นิ่งไ ม, ไม่สงบนี้อย่าเพิ่งไปทางปัญญานะนอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆแล้วอยากจะคิดว่าใช้ปัญญาแล้วทำให้ใจสงบได้ก็ใช้ได้ แต่ถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นแล้วไปใช้แล้วมันทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจเครียดมากขึ้นก็ไม่ถูกวิธีก็ควรจะใช้สติแทนก่อนในเบื้องตน้นเพราะมันง่ายกว่าใช้ปัญญา mm hmm. ใช้สติใช้พุทโธพุทโธไป mm hmm. แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเป็นแล้วเราเช่นเวลามันนั่งแล้วมันเจ็บนี้เราก็ใช้ปัญญาแยกแยะใจไม่ให้ไปเจ็บกับความเจ็บของร่างกาย เนใจปล่อยวางความเจ็บแล้วก็นิ่งอยู่ในความสงบได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นเราก็อย่าพึ่งไปใช้<ม>ก็ใช้สติไปก่อนใช้พุทโธพุทโธไปก่อนคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ กลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ถ้าเราทาบุญถือศีลจนเป็นนิสัยตายไปกลับมาชาติหน้าเราก็จะทาบุญถือศีลปฏิบัติทําเหมือนเดิมและจะไม่ทำบาปใช่ไหมครับมันก็ถ้ามันเป็นนิสัยมันก็อยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนไหมบางทีมาเกิดในในยุคที่ในในสังคมที่เขาไม่ทำกันบางทีเราก็อาจจะอยู่ที่ว่าเราฝืนสังคมได้หรือไม่ถ้า ถ้านิสัยของเรามันมันมันแข็งแรงมันก็อาจจะฝืนได้ถ้าเป็นนิสัยที่ยังไม่แข็งแรงมันก็อาจจะยอมไปไหลไปกับเหตุการณ์รอบด้านก็ได้อันนี้ก็พูดยากไม่ต้องกังวลขอให้เราพยายามทำให้มากๆไปให้มันแน่นหนามั่นคงจะจะแน่นหนาจริงๆก็ต้องเป็นระดับภาคหรือญบุคคล น, นั้นนหะ จะไม่ไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดถ้าเป็นพระสวสดาบาลขึ้นไปเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยนิสัยท่านเห็นโทษของการทำบาว่าจะทำให้ใจเครียดทำให้ใจทุกข์แล้วจะส่งให้ใจไปเกิดในระบายท่านเห็นชัดเจนอย่างนี้ท่านก็จะไม่กล้าทำบาปท่านจะเลิกทำบาปโดยเด็ดขาด คำถามถัดไปเวลาเดินจงกรมต้องบริกรรมไหนคะหรือวางจิตไว้ที่ไหนคะก็ได้หลายวิธีจะดูที่เท้าก็ได้เวลาเราก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่เรื่องที่เรื่องเท้าอย่างเดียวว่าตอนนี้เท้ากําลังอยู่กาลังก้าวเท้าไหนอยู่ก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไป หรือเราจะใช้คําบริการพุโทโธไปแทนก็ได้เดินไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแต่เราต้องมองทางที่เราเดินด้วยว่าข้างหน้าเรามีอะไรกีดขวางหรือเปล่าไปเดินไปถึงสุดทางหรื อ, อยังอะไรทานองนี้ก็ต้องรู้ด้วยรูรู้ทางที่เราเดินแล้วก็บริการพุโทโธไปด้วยเพื่อคอยควบคุมไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามจากทางยูทูบพระสุชาติค่ะการรักษาศินแปดพนักงานบริษัทจะรับประทานอาหารหลังเที่ยงแบบนี้ถือสินแปดได้ไหมครับไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงเลยใช่ไหมคือถ้าพนักงานบริษัทจะรับประทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้วอะค่ะจะถือสินแปดได้ไหมคะได้แล้วก็เราก็ตั้งนาฬิการเราให้เร็วขึ้นสักชั่วโมงหนึ่ง <laughs> <laughs> เวลาสิบเอ็ดมงมันก็เป็นเที่ย ง, งสาหรับเรา เอ อ, เ อ, อไม่ใช่ให้มันช้า เ, เร็วขึ้นเวลามันเที่ยงมันก็ยังเป็นสิบเอดโมงของเราอยู่ให้มันช้าลงชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกัน <Okay. S 1> เวลาจริงเขาเที่ยงแต่เวลาของเราก็ยังสิบเอ็ดมงอยู่เราดูนาฬิกาเราเพราอย่างกินได้นี่หว่าดั่มั <c oughs> ้น ม, มันก็แค่นั้นอนะ่ะมันก็แค่เวลามันก็ต้องมีเวลาที่เขาต้องขีดเช้นไม่เกินอย่างนั้น สำหรับเราถ้าเราอยากจะรักษาจริงๆมันก็ปรับแค่ชั่วโมงเดียวมันคงไม่ถึงกับขอขาดบาดตายหรอกดีกว่าไม่รักษาเลยดีกว่าไปกินข้าวเย็นต่ออย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> กินข้าวกลางวันเช้าไปหน่อยชั่วโมงหนึ่งไม่ก็ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นผลเสียหายมากทําไปเถิดชั่วโมงหนึ่งต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวด้วยเหตุจําเป็นไม่ใช่เพราะว่าเราไปกําหนดมันเอง แต่มันเป็นเหตุที่เรายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมบังคับไม่ได้เวลาของการรับประทานอาหารเราก็เพื่อความสบายใจเราก็ถือเวลาของเราเสิต่างประเทศเขามีเปลี่ยนเวลาไม่ใช่เหรอบางเวลาเขาก็เลื่อนนาฬิกาไปชั่วโมงข้างหน้าบางทีก็ถอยมาชั่วโมงเราก็ถอยข ม, มาสักชั่วโมงกั <laughs> เวลาเที่ยงของเขาเราก็เป็นเวลาสิบเอดโมงของเราเราก็ยังกินข้าวได้ ถามศัก์ทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราชวนครอบครัวไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาคิดลบถ้าเรายังเอาเขาไปด้วยอีกเผื่อสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจอย่างนี้เราคิดถูกไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ความสมัครใจของเขาเป็นหลักนะอย่าไปอย่าไปบังคับเขาชวนได้เชิญได้แต่เขาอยากยินดีหรือไม่นี่ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปฝืนเขาอย่าไปบังคับเขาจะดีกว่า คำถามจาก youtube พระสุชาติค่ะกรณีที่เราตักบาตร ท, ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บิดาหากบิดาไปเกิดแล้วเราควรทําบุญให้ท่านต่อหรือไม่คะคืออยู่ที่ท่านเรารับบุญของเราหรือเปล่าท่านใช้บุญของเราได้หรือเปล่าถ้าท่านใช้ไม่ได้ใช้บุญของเราแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องอุทิศให้ท่านแต่เราก็สามารถอุทิศให้คนอื่นได้คนที่ตายไปเพื่อนฝูงเรา คนที่เรารู้จักอะไรก็ได้หรือศัพพษัต ท, ทั้งหลายก็ได้เพราะบุญที่เราทำนี้เราสามารถแบ่งอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้แล้วเราก็จะได้บุญอีกชั้นหนึ่งเพราะคำถามจาก y o u t u b ปพระสุชาติค่ะพอบวชเป็นพระแล้วมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เราขอนิสัยจนถึงห้าพัน่ะก็เหมือนกับเราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะ เราไปสมัครเรียนโรงเรียนนั้นแล้วเราไปเวลาเข้ารับแล้วเราเราไปย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่ได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เนเวลาเราไปบวชกับพระลูกหนท่านก็เป็นอาจารย์ของเรานะอกจากว่าเราอาจจะขออนุ ญ, ญาตล่วงหน้าก่อนว่าพอผมอยากจะขอบวชที่นี่แต่ผมอยากจะไปศึกษากับพระอาจารย์รูปนั้นได้ไหมถ้าท่านบอกโอเคก็ท่านก็บางทีท่านอาจจะเห็นว่าตัวท่านเองก็อาจจะไม่พร้อมที่จะสอน ในระดับที่เราต้องการไปก็ได้อย่างเราเวลาเราไปบวชเราก็ไปบวชกับสมเด็จพระสังฆราชที่วัดปวรแต่เราก็กราบทูลท่านว่าอยากจะขอไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอย่างนี้นท่านก็บอกโอเคไปได้ท่านก็บวชให้อย่างนี้ก็ทำได้อยู่ที่การตกลงกันระวังอุปชากับเราถ้าท่านเห็นควรตอนนั้เราก็ไปไปหาหลวงปู่บัวเกต ท่านก็บอกว่าท่านไม่รับบวชเพราะว่าถ้าบวชต้องอยู่กับท่านแต่ท่านไม่สอนกรรมฐานท่านสอนแต่ปริยัติท่านสอนแต่นักธรรมถ้าอยากจะปฏิบัติกรรมฐานท่าก็แนะนำให้ไปบวชกับสมเด็จยานาสมเด็จยานท่านจะเมตตาอนุญาตให้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ปรึกษากันได้ไม่ใช่เป็นเรื่องตายตัว คำถามจากทาง facebook ค่ะการถวายผลไม้ที่มีเมล็ด จ, จะต้องมีจะต้องมีพิธีถวายอย่างไรครับคือโบราณก็เชื่อว่าของที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเมล็ดเมล็ดเนี่ยเวลาเวลาถ้าเรากินเข้าไปในท้องนี่เท่ากับเราทําลายมันฆ่ามันฆ่าของที่มีชีวิตนีแต่ความจริงมันไม่มีดวงวิญ ญ, ญาณมันไม่ถือว่าเป็นของที่บาปแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ไปทำทำร้ายดวงวิญ ญ, ญาณ เป็นเพียงจะ่ทำร้ายตัวต้นไม้ ต, ตัวผลไม้เท่านั้นเองงั้นวิธีแก้ปัญหานี้พระเจ้า ก, ก็บอกว่าเวลายาตโยมจะถวายก็ให้ทำวทำเลือกกับกับปิยะวิธีที่ทำกับปิยะก็คือเช่นถ้าเป็นผลไม้ก็ปอกเปลือกมันท่าหน่อยหนึ่งทำให้มันตายแล้วดังไงจากหลังจากนั้นถ้าพ้ากินกินเมล็ดของผลไม้นั้นก็ไม่ถือว่าบาปเพราะว่าผลไม้มันตายแล้ว คือญาติโยมต้องฆ่าผลไม้ก่อนที่จะมาถวายให้กับพระยงมีธรรมเนียมทางทางภาคกลางเรานี้เวลาถวายผลไม้มักจะปอกเปลือกจะหั่นเป็นชิ้นๆทําให้มันตายแต่ทางภาคอีสานทางสายกับปฏิบัตินี้ชาวบ้านเขาไม่มีเวลามาปอกเปลือกมาอะไรวิธีทำก็เพียงแต่เด็ดเด็ดใบมันหรือเด็ดกิ่งมันหรืออะไรทํานองนั้นแสดงว่ามันตายแล้วท่านเลือหักถ้าเป็นผักบุ้งก็หักมันแค่หน่อย นี่ถอว่าทำให้มันตายแล้วเรียกว่ากัปปียะ okay. คำถามสักทาง y o u t u b ปพระสุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิหลับตาแล้วท่องพุทโธตาในชอบจ้องที่ตาในชอบที่จะจะมองจ้องไปด้วยค่ะบางทีพุทโธก็จะสูงแล้วต่ำลงต่ำลงจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ อย่าไปดูมันจะใ ห, ให้อยู่ที่คําคําที่เราใบกรมอยู่ที่คําพูดพุดโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไป ล, ลึกถึงภาพของพุโทโธหรือถ้าเราอยากจะดูภาพก็เปลี่ยนจากพุโทโธมาดูลมแทนก็ได้ถ้าเราเป็นคนชอบดูก็ดูลมหายใจแทนแทนที่จะใช้พุโทโธก็ดูลมหายใจดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าออตรงนั้นลมออกก็รู้ว่าออกตรงนั้น หรือถ้าเราไม่ถนัดที่จะดูปลายจมูกก็ดูที่หน้าท้องก็ได้ดูที่หน้าท้องเวลาลมเข้ามันก็พองขึ้นมาเวลาลมออกมันก็ยุบเข้าไปที่เขาเรียกว่ายุบหน่อพองหนอนี่ก็ดูได้ถ้าเราชอบดูก็ให้ดูดูลมดูที่ท้องก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้ถ้าเราบริกรรมแล้วมันไปดูก็อย่าไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรม คำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะข้างบ้านอยู่ติดกันมารวมญาติกันส่งเสียงดังเกือบทุกอาทิตย์นึกลำคาญมากบางทีก็นึกเหมือนเสียงนกเสียงกาจะใช้หลักทําใดเพื่อไม่ให้โกรธครับเพราะนั้นแหละต้องเล่าเป็นเสียงของธรรมชาติเสียงนกกาเสียงค้าล่องเสียงฝนตกเวลาฝนตกดังขนาดไหนเราก็ทนอยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนที่เราไปเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากฟังเสียงเหล่านั้นเท่านั้นเองแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ เมื่อเราห้ามเขาไม่ได้ก็คิดว่าเป็นเหมือนเสียงฝนตกฟ้าร้องเสียงเสียงนกเสียงกาไปเราก็อยู่เขาได้คำถามจาก YouTube อกรวีค่ะการที่เราต้องทุกข์ทรมานกับมลภาวะเป็นเพราะผลกรรมใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการมาเกิดนะกามาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกับการที่เราไปอยู่ในกองไฟเนะี่ย ไอยู่งไฟมันก็ต้องเจอความร้อนเจอไฟที่จะคอยเผาเราอยู่เรื่อยๆราะงกรณ์ในโลกนี้มันก็เจอเรื่องเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของธรรมชาติธรรมชาติมันก็แปรปรวนไปบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีสลับกันไปหมดแล้วยังตอนนี้ยังไม่มีคําถามค่ะไม่มีคําถามก็หมดแล้วก็คิดว่า <S <S พอสมควรแก่เวลา